ตแต่คงมันจะไม่ใช่วันสุดท้ายนะของการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจบางคนอาจจะเป็นวันเริ่มต้นนะเป็นวันใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังธรรมกันนะเป็นการสรุปนะเตรียมนะที่เราจะได้เอาไปใช้นะในชีวิตประจำวันของเราต่อไปก็ขออนุโมทนาจารย์ทรงศิล ได้แสดงทมให้กับพวกเราฟังคอนิตมอนกับขอโอกาสเพื่อนสักกังมิจเริญนในรามยังคุณแม่จีนะ่ารามคุณท่านบุรลงเรารรมั ด, ดมดบนกัน วันนี้เป็นไงมัง่งเทียบกับวันแรกวันแรกตอนเช้าที่ทาวัดง่วงไหมวันนี้อะไรนะเหมือนเดิมเหไม่ง่วงนะดีใจยั่ได้ตื่นแล้วใช่ไหมวันนี้ได้กลับเมื่อคืนก็ตื่นประมาณทีสองว่าตื่นทีสองเมื่อคืนนอนก็ ที11บเอีหนึีสก็ประมาณ3ชั่วโมงย้อนเนีน่แล้วก็ตื่นมาก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตอนเช้าก็นั่นแหละการจรลจรติตในเวลาตื่นก็ตื่นเแล้วก็ จะซ้ายจะขวาจะทำอะไรมันก็เห็นตัวเองอยู่เพลินๆอยู่แบบมีอะไรทําวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าสติที่เราสวดมันักครู้นะอันนั้นก็เป็นลักษณะของในหนังสือก็นี้เรามาจเจริญสติกันที่วัดปาสุกโต ฝึกความรึกรู้ให้มันจำนานให้มันคล่องตัวก็มีความเชื่อตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกนะการมีสตินี่มันเป็นเรื่องปกติของคนที่มีเป้าหมายของชีวิตนะว่าชีวิตมันจะู่ความ้นทุกข์ได้ ความไม่ทุกข์ได้แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะพ้นได้ยังไงไม่เข้าใจจะพ้นทุกข์ได้น้องนุ่นทำงานเก็บตังค์หาเงินหาทองเพิ่มยอดในบัญชีมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งแต่ไม่รู้เรื่องสติเป็นเรื่องที่เราจะทุกคนจะต้องฝึกจะต้องมี เราบอกว่าเรามีอยู่แล้วเวลาใครพูดถึงว่าเราไม่ปกติมันโกรธเลยไนงะโกรธมากๆเราบก็่าเราปกติอยู่แต่เราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกเออเราก็ไม่มีความสุขจริงๆอะมันมีคําตอบให้กับตัวเองจะอยู่ทําไมอยู่ไปเพื่อหาอะไร ต่พอบอกตัวเองว่าจะอยู่เพื่อให้ตัวเองนะมีความสุขในโลกนี้มันมีความสุขอะไรมนถึงที่สุดเราจะเข้าถึงความสุขแบบนั้นเน่เมื่อก่อนเขาบอกว่าทํานั่นเลยทํโน่นเลยล้วจะมีความสุขไปเที่ยวนอนเดซื้อรถรุ่นนี้สิเยี่ยมจริงจริงเล่นกีฬาแบบนี้นะมันก็จะมีหมู่เพื่อนที่ร่วมกัน ทำกิจกรรมเดียวกันแล้วเราก็จะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ใช่หรอกจนมาเจริญสติเนี่ยที่ตำราไดชี้เอาไว้พระคุบาอาจารย์ท่านบอกแต่มันก็มีหลายวิธีอีกหลายคนกระปูดไปทางโน้นหลายคนกระปูดไปอย่างนี้น มันยังไงกันแน่นะมันก็ต้องพิสูจน์กันดูพอลงมือทํามันก็ไม่เข้าใจหรอกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยอะไรคือรู้สึกตัวคิดนั่นคิดนี่คิดโน้นหานั่นหานี่หาโน้นไปทำมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ก็เพี้ยนใส่ใจ ก, การฟังคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วลองทําดูรูปแบบนั่นนี่โน้นจนมามั่นใจตัวพริกมือตัวเดินจงกลมมามั่นใจว่าเราก็พลิกมืออยู่แล้วเราก็เดินไปนั่นมานี่อยู่โน้นมันเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวลมหายใจแล้วก็รับรู้บ้างปกติหายใจเนี่ยจะทําอกให้พองโต เรียกว่า อ, อกผายไหลพึ่งเราก็รับรู้ลมหายใจเวลาพูดก็จะไม่ได้พูดอย่างนี้นะตอนเป็นโยมะจะพูดแล้วก็หยุดรู้ลมหายใจเวลาคุมงานหรือสั่งงานคนเนี่ยก็จะพูดในเสียงสุภาพเป็นการฝึกตัวเองไปด้วย จนคนงานก็ถามว่าเป็นอะไรอะต้องพูดยันยานนิดยืดช้าๆ้า่มอืมันก็เป็นโดนสะท้อนบวดสะท้อนปฏิคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วตัดสินใจสรุปเร็วช่วงที่ฝึกเป็นโยไหมฝึกช้าๆ้าพูดช้าช้าู้สักพังกัมารู้ลมหายใจ จะมีเสียงดังไปแล้วด้วยนะจักพักพูดไปพอมันเริ่มที่จะไปตามความคิดไปตามอารมณ์ก็คนงานถามเป็นอะไรอาะวเราก็สังเกตผลสะท้อนนะเวลาไปฏิบัติทำเราก็ตั้งใจทำตามที่เราได้ฝึกแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นการฝึกตนคนอื่นจะมองว่าแปลก ไม่ต้องพูดถึงทิบสี่อั่งหวนะแค่ลมหายใจดังนิดเดียวพูดชาชานิดเดียวก็มีคำถามเกิดขึ้นมามันไม่ทันใจคนเวลาทำงานทำการก็พัฒนาประยุกต์มาเรื่อยแล้วก็หาที่เนเวลาปฏิบัติก็ต้องเนี่ยมาแบบนี้บางตามวัดสุขโตรหรือวัดสนามใ น, นหรือกิจกรรมที่มีการยอมรับกัน ในโลกเราจะต้องระมัดระวังนิดหนึง่งเวลากลับไปถึงเราทำตัวปกตินะนอกจากเราฝึกเราเจตนาฝึกแต่บางทีตอบไปก็ไม่กระจายก็ไม่ต้องตอบก็ได้แต่เราก็รู้ว่ามีการสะท้อนให้เราได้กลับมาสังเกตว่าเราแปลกไปไหมืม่อทีคนอื่นก็ดีนะก็สร้อนเราดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรอย่างสิบสี่เชว่า พิกมือรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวเรามทาทำที่จมีใครว่าอะไรแต่ถ้าอยู่นานๆแล้วทำนานๆก็มีเหมือนกันเลยก็จะว่าเราไม่ทำงานทำการเอาจะฝึกในรูปแบบติดรูปแบบผมเลิศ ม, มาเคยถือจอบมาบวชปั๊บเนี่ยมาที่นี่วันที่23ากุมภาพันธ์ทีนี้ แบกจอบมีพระที่เขาอยู่ก่อนก็เห็นเราขยันนะนะแบกจอบไปทําทางเดินยงกลมอเมื่อก่อนไม่มีนะในวัด น, นี้ทางเดินยงกลมอถ้าจะมีก็มีอยู่อันเดียวหลวงพ่อท่านเดินโดยใช้ไม้กระดานยาวจะ ว, วางมีไม้ท่อนๆ ต, ตัดแล้วก็รองเหมือนกับเก้าอี้นะ มันก็มานั่งยาวอยากไ้เดินจงกลมตอนนี้ก็ยังมีร่องรอยอยู่ที่สารเกศไม่นั้น ม, มีทางเดิน น, นั้นนะตอนหลังหลวงพ่อบางทีท่านก็เดินของท่านอยู่คนเดียวส่วนตัวก็เลยแบกจอบมาทำทางเดินจงกลมเผื่อแผ่คนอื่นแล้วตัวเองจะได้เดินด้วยตอนหลังทําวัดเจ้าทําวัดเย็นพระท่านก็บอก ดูเด้ดูเดดูเ ด, ด้ชื่อพระสมชายท่านก็บอกอเหมือนกับขยันเกินเหตุขยันเดินจงกลมก็เราเห็นอั น, นิสงส์การเดินบนดินการเดินบนพื้นกระดานการเดินไปเดินมาซอกซ้อมตัวเอง ทั้งๆ ท, ที่มันก็เคยเดินไปนั่นมานี่แต่ว่ามันหล่นหลงบ่อยหลุดบ่อยมันก็จึงต้องฝึกในรูปแบบพอฝึกในรูปแบบมากๆทํานั่นทำนี้นทำโน่ น, นถ้าทําก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเนี่ยคนก็คล้ายๆกับมองแล้วมันมันไม่ใช่ แต่เวลาปฏิบัติจริงๆไม่ทำงานมันก็ไม่ใช่อีก็กเป็นรนื่อของอคติที่มันจะมีต่อบุคคลมีต่อการปฏิบัติซึ่งเราก็จะต้องเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวแปลงฟันรู้สึกตัวเคยสังเกตตัวเองแปลงฟันไม่รู้สึกตัวนะแปลงนะที่มึงเหงือกบ่อยโยม แบ่งชีช้ๆพุ ط. อ่าเป็นแพลอีกแล้ววันนี้กินน้ําพริกไม่ได้แล้วเนี่ยแสบปากบางทีก็อือพอกินข้าวเสร็จก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมันต้องมาดูดในช่องปากเลยลิ้นตวัดไปตวัด ม, มาเออเราก็ไม่ได้สั่งมันะมันตวัดเองได้ด้วยเนี่ยเวลาเราเคี้ยวี้ยวเคี้ยวเคียวเพลินๆสักหน่อยบางทีเอากัดลิ้นตัวเองอีก ผลของการขาดสติบางทีก็เกินข้าวเอาติดคออีกต้องเอาน้ําตามบางที น, นะมีสติเอาข้าวติดคอแล้วทำไงน้ําก็ไม่มีเงี้ยต้องดูที่ข้าวติดคอนะแล้วก็ลมหายใจก็กลั้นกลั้นกลั้นกลั้นเดินไปอาบน้ํำก็กลั้นกลั้นกลั้นใจจะขาดให้ได้เลยโยม มันเห็นเลเวลาขาดสติมีผลแบบนนีะ้มันก็เรามาระวังอีกจะทําอะไรก็ตามที่เดินที่นี่ที่สูงสู ง, สงต่ำตำ่ฝนตกหน่อยเดียวถ้าเดินขาดสตียกล้อเลยโยมเดินเดินเดินเดินเอา้าไม่ทันได้ระวังว่าถักขะเท้ า, าหรือว่าฝ่าเท้าของเราไม่สบัดพื้นมันยังไม่มั่นคงมันจะก้าวอีกก้าวนึงไปอีกแล้วนี่ย เท้าวขวาไม่มั่นคงเท้าซ้ายอ่อยแล้วใจเรารียบมันก็เห็นเลยเกิดอุบัติเหตุต่างๆมากมายบางทีรีบเกินไปมองแต่ข้างล่างเงี้ยฉายไฟส่องแ้างล่างนะข้างบนกิ่งไม้กระแทกหัวหัวไปโขกอีกเถาวันบางทีมันมีมันก็เลยต้องเรามาระวังการเดินการยืน ไพ่ first date เนยะยุคหนึ่งอะรู้จักวงไพ่ first date ไหมไพ่ชื่อไพ่อะนักร้องดาราไปยืนใต้ถุนใต้ถังเบียร์ เ, ยเสร็จแล้วมันเป็นเครื่องเล่นน่มัสนสนุกไปยืนถอดเข็มขัดเซฟตี้เบลใต้ถังเบียร์ถังเบียร์เลื่อนลงไปกระแทกนะไปตายโรงพยาบาลเออก็ต้องระวังนะการนั่กนนงการเดินการยืนการนอน เรามันระวังไม่ต้องพูดถึงมีหลุมมีบอ่ออุบัติเหตุงานก่อสร้างเขตอันตราย line, อย่างเงี้ยบางทีก็อยากรู้อยากดูอยากเห็นใช่เหมือนกาเราเห็นเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อยเมื่อปีอะไร ป, 28, ประมาณปีสองแปดประมาณนั้นที่โรงพยาบาลฐานพันศึกใช่ไ วันนั้นเปนันฐาน่านศึกแล้วก็อยู่ๆคนตะโกนกันลั่นลั่นเลยว่าเออเด็กตกลงไปนรูเสาเข็มมันตกไปได้แงฟ่ฟางแค่ยี่สิบเซนเด็กตกลงไปใต้ศึกก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงจะเรียกว่าจะกดเสาเข็มโดยรอบเนก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ทันสมไหมเสร็จแล้วจะดึงขึ้นมา จะดึงก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันหลุดมันหักตรงกลางเด็กก็ตายอยู่ดีน้ําทะลักลงไปท่วมไม่รู้จะทํางไงกันเวลาผ่านไปผ่านไปประชุมกันเด็กก็ลมหายใจออกซิเจนไม่พอมือเริ่มหมดเริ่มหมดเนยเสาเข็มยาวเกือบ30สิเมตรนะแล้วตกลงไปค้างอยู่ตรงกลางสิบกว่าเมตร เราก็เห็นแม้งทงอุบัติเหตุรับร ถ, ข, บรถขับราต่างๆมากมายเต็ไมไปหมดทิมจะทำให้เราเหมือนกับว่าขาดสติเวลาเกิดอวัติเหตุขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรากลับมาได้ไวไม่ตื่นตนกตกใจบาจี้รู้จักไหมบาจี้อะโยมเช่นใครมาทำเสียงดังใกล้ๆอะหลงได้ไหม เอ้ยเออแมแหมแมเฮ้ยก็ได้ยเฮ้ยก็ได้ยอย่างเงี้ยอันบาจีอันตรีก็พูดเป็นคำหยาบเสียงมากระทบหูก็กลายเป็นขาดสติเรื่องที่เขาเยื่อแล้วหน่อแหมวันนี้เลิศเหลือเกินนะดูสิแต่งหน้ายังตูดลิงอย่างเงี้ยไปไงโกรธไหมบางคนเสียงเขาพูดมากระทบก็กลายเป็นอารมณ์ของเราหลดไปแล้ว มันทั้งวันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์มากมายทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งกิจวัตรจำวันของเราการคิดการนึกการปรุงการแต่งหรือว่าประสบการณ์ความจนานาญที่ผ่านมาที่ทําอะไรซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆจะนะมันเคยชินขึ้นมาเราก็ได้เห็นหน้ากายเราเนี่ยมากมายผ่านตัวรู้สึกตัวตัวสติที่มันกลังเจริญเติบโ ต, ตอยู่นะทุกวันทุกวันทุกวันที่เรากลับมารู้สึกตัว อบรมหมอหลายคนก็ได้ไปใช้คนไข้พูดไม่ดีเศรษฐีเข้าโรงพยาบาลนะเอาตัวใจตัวเองต้องให้ได้ทันอกทันใจเห็นหคนไข้ชอบกับหมอเมื่อเร็วๆเนีทีนี้ถ้าคนเจริญสติฝึกสตินะมีการอบรมมาดีๆอย่างเช่นโรงพยาบาล น, น้ำพองนะก็อบรมมาดีพอ อ, อหมอวิชัย เคยได้รับหมอดีเด่นเป็นหมอชนบทดีเด่นระดับประเทศเนะี่ยก็จะลวมหมอว่าคนนิ่งคณจะได้เปรียบให้คนไข้ก็พูดไปนะคนเลือกนิ่งอย่างเดียวเป็นหมอเนะี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองมีความรู้มีความสามารถมีวิชาความรู้ช่วยคน เลืนิ่งเราเลือกใจวิชาความรู้ของเราคนไข้ก็จะโอยวายเรานิ่งเราได้เปรียบให้เขาพูดไปจนอารมณ์ขอเขาจบไปเรามาดูตัวเราเองเราจะไม่เป็นอย่างเขาเขาอบรมดีให้มีสติกับการทํางานทําการนี่ก็คือถ้ามีอารมณ์ก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเมื่อไหร่ปกติดีมีเหตุมีผลให้เขาพูดให้จบ เราค่อยอธิบายทีหลังก็ได้เล็กๆน้อยๆด้วยความสุภาพมันก็จึงเป็นคำพูดที่ได้มาจากการเจริญสติแล้วก็จิตใจของเราเป็นปกติกระทบอารมณ์ก็ไม่ค่อยวันไหวหรือไม่วันไหวเลยก็ว่าได้วันนั้งวันมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงแล้วก็มีกายมีใจของเรา เรเลือกที่อยู่ใใกับกายกับใจของเราอยู่กับความเป็นปกติธรรมธรรมชาติที่เป็นปกติฝ่ายสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะด้วยไม่วิวาทะด้วยถ้าจะพูดก็พูดโดยเหตุผลชี้แจงอย่างนี้นไม่กระทั่งเด็กๆก็เหมือนกันนะเด็กๆเนี่ยบางทีเขาเข้าใจเราสัจสาลาสิ่งกัเหมือนกันบางทีเขาเข้าใจเราแต่พูดไม่ได้ แมวหมาอะไรพวกนี้บางทีเขาเืาเห็นเนาเขาก็ใจเราตรามชาติของเขาทีนี้เราพูดเหมือนกับเขาเป็นคนอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยเรื่อยรื่อยืยสอนได้นะมันไม่ใช่ว่ามีสติที่เราแล้วก็หมายถึงว่าจะทําให้สิ่งรอบตัวหรือาลาคนรอบตัวเขากระเพื่อมแล้วก็ เกิดการโกรธมากขึ้นไม่กระจายเรามากขึ้นหรือว่าเราดวนสรุปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนีองนน้อย่างนู้นอย่างเงี้ยจริงๆมันฝึกกันได้อย่างสุนักเนี่ยที่เนี่ยฝึกได้ลองฝึกดูตีละคังแล้วไม่ต้องหอนนะช่วงตีละคังมามาขอนแล้วก็ลองไปบอกก็ได้เอ้ยเอยยไม่ต้องหอนก็ได้ก็เงียบหนะ่ยมาเคยหลายครัง้งแล้วลองทํากับเขาดู นอกจากมันจะเกิดที่เราแล้วมันยังไม่บอกคนอื่นได้ด้วยแสดงออกได้ด้วยมันจะเย็นยังไงปกติยังไงเราก็แสดงที่เรากันคนอื่นก็ร้อนเราไมได้ร้อนด้วยเดี๋ยวค่อยสจาพักนั่นนั่นนก็เริ่มอารมณ์เย็นขึ้นมาละเมื่อเลยเหมาะในการทำงานทำการคองตนคองคนแล้วก็คองงานคลองตนคือเรา รู้ลนะ้เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็กลับมารู้สึกตัวตัวเนี้ยของไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาของอยู่กับตัวเป็นอุปกรณ์การฝึกมันมีอยู่กายของเราเนะี้ยอยู่ตรงไหนมันก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่วัดป่าสุลโตนะโยมใช่ไหมประเดี๋ยวเราจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนที่ไหนมันก็มีตัวเราอยู่นะเรายังต้องอยู่กับมันจนนั้นนะหมดลมหายใจไม่อะไรคว่ากัน แยกกันสักทีแต่บางคนไม่ได้ฝึกก็ไม่ได้แยกนะถึงร่างกายจะตายแล้วก็ยังคอเคียคอเคียเคะเคียอยู่นั่นน ะ, นะบางคนก็บอกตัวเองนะตายไปแล้วปรากฏว่าตอนจะเผาลุกขึ้นมากุณมียอมอยู่คนมาพิพิภธภัณเนี่ยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลก็สรุปว่าตายแล้วกลับไปบ้านก็สวดศพกันลวแต่ว่าไม่ได้ฉีดยานะ ตอนเผาเนีมันรู้สึกตัวอีกทเองลุกขึ้นมาโอ้หคนตกใจกันโยมบอกมันมันมันรู้สึกตัวตอนนั้นนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอ้าวยังไม่ตายกันเลยเนี่ยจะจุดไฟเผาอย่างนะั้นไงนั่นบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเอออาการต่างๆที่กายที่ใจกลำลังแสดงออกมาแล้วก็ใจกำลัขอเคียะขอเคียะขอเคียะ อ, อยู่ตัวเองเนี่ย มันไม่ยอมไปบางทีการฝึกหัดปฏิบัติมันทำให้เราคอเคลียคอเคลียคอเคียอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าผู้มีมีสตินะมัตจุลาจะตามไม่ทันแต่บางคนตกใจอปุ๊บออกไปเลยแค่นอนหลับบางทีฝันไปอากลับเข้าล่างไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดสติอย่างนีน้บางทีก็นอนเกร็งเปกก็นโรคจิตโรคประสาท การเนื้มก็เกรงแต่พอเรามีสติเราจะเห็นว่าเออมันไม่ได้เข้าไปในาการหลอนนั้นมันเป็นการใช้ชีวิตจริงใช้กา ย, ยิงใช้ใจจริงสติมันไม่ได้อยู่กับกายกับใจรูปธรรมนามธรรมมันก็มีแต่เราไม่ได้ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเวลามันมีสติจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติมันจะอยู่เหนือกายเหนือใจเหนือรูปนามกันธ์หน้สติ แต่มันเป็นยังไงนะต้องสะสมนิดนึงตอนนี้เราฝึกหัดปฏิบัติอยู่ในในวัดป่าสุกโตแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนไหนก็ตามมีกายมีใจเราก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจอยู่เนะี่ยเด้ ว, ว่าความรู้สึกตัวจะทำให้เราเห็นว่าเออมันแยกกันระหว่างรูปรสกลิ่นเสียงกับตัวสติตัวรู้สึกมันแยกกันเป็นคนละเรื่องกัน แต่ว่าการทำหน้าที่ของเราก็สิ่งเหล่านั้นเราจะต้องเกี่ยวก้องให้ถูกต้องนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวในการสมัมผัสก็กลายเป็นความรู้สึกตัวในการดนะูตากระทบรูปในการฟังหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสพวกนั้นนะจึต้องเป็นสติปัฏฐานสี่นนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเหมือนเ่ีที่เราสวดกัน ในหมวดกายก็มีเยอะนะลมหายใจอนาปา น, นี่ก็เป็นกายนั่งเดินยืนนอนนี่ก็เป็นกายหมื่สัมญาประพันนี่ก็เป็นกายอย่างเงี้ยกำหนดรู้ศพสิบระยะก็เป็นกายธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเพราะฉะนั้นการฝึกจากกายของหยาบมันก็ไปหาของละเอียดเองกายมีเวทนานั่งจะปวดเมื่อยหนาวอยู่ตอนนี้มันเป็นทุกขเวทนา มันเป็นสุขเวทนามันเป็นยังไงสุขเวทนาทุกเวทนาในอากาศหนาวนะก็ะเช่นบางคนชอบอกากาศหนาวก็กลายเป็นสุขเวทนาโอ้ยมาสุขโตนี่ดีอากาศดีที่สในโลกเลยประทับใจไปบางคนก็โอ้ยเข็ดแล้วสุขโตไม่มาหรอกหนาวหนาวหนาวจนเดินไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนนั่งไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนหนาวมากหนาวจนทั้ง ใส่หมวกฟังพระเทศเลยตอนนี้บางคนจริงๆผิดนะรู้ปะแต่ในพระวินัยนะในเรื่องของพระธรรมวินัยสีลสองรเจ็ข้อเนะี่ยเวลาพูดอันนี้อาจมาผิดแล้วอาบัติรู้ปะก็ไม่ให้พูดธรรมะแล้วก็โยมใส่หมวกอะไร้หรือนั่งก็อีสูงฝาก็ห้ามที่วันแรกพูดแต่ไม่เป็นไรหรอกอนุโลมกันไป อากาศมันหนาวอย่างไปทางต่างประเทศบางทีต้องแต่องเท้าบูทต้องผิดสํานวนสา ร, รูปเครื่องแบบของพระสงฆ์ประเทศไทยต้องใส่หมวกต้องใส่ถุงมือใส่เสื้อหนังสัตว์อะไรพวกนะี้ก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตัวนี้เราก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผู้สัตว์หนาวถึงแตกต่างกันก็ ทำไงได้มะม่วงแม่มอยู in, tumors, be, like, mm ่ที่ประเทศอินเดียเงี้ยต้นแม่นมาประเทศไทยเรื่องรูปแบบรูปรักษณ์แบบเนี้ยไปญี่ปุ่นก็ต้องเป็นอีกแบบจีนก็ต้องเป็นอีกแบบตามสิ่งแวดล้อมของเราก็เหมือนกันอยู่ที่วัดนี่เราก็ทำรูปแบบวัดป่าสุกโตใช่ไหมไปที่อื่นก็อย่าไปทำา14่จังหวันะโยมเช่นอยู่ๆไปสายก็แม่เสรีน คอสก็ยกนออย่างเงี้ยของเราก็ไม่ใช่เออไปสิบสี่จังหวะกับเขานะกลมกลืนกับเขาไปเพราะนั้นต้องไปยกนะเวลาเรากลับไปเนี่ยอย่างเช่นว่าเรามาที่นี่ปับ๊บถ้าใครมีความประทับใจเรื่องสิบี่จังหวะเงี้ยกลับไปบ้านนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะไม่ต้องร้อนวิชานะโยม ไปถึงปั๊บแล้วก็เดินจงกลมเข้ า, าบ้านบ้างไปชวนสามีชวนลูก14จังหวะไปนั่งโคนต้นมะม่วงข้างถนนแล้วก็ยกมือ14จังหวะเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยหรือไปซื้อส้มตําแวะข้างทางระหว่างรอคอยแหมโยกสิจังหวะเต็มรูปแบบเลยอย่าเงี้ยอย่าไปทํานะโยมประยุกเช่นขึงนิ้วเล็กๆน้อยๆกระดีกเท้าเล็กๆน้อย แอบในการเคลื่อนไหวเล็กๆนี่ยประยุกต์ด้วยกริบตาก็รู้สึกตัวได้ท้องพองยบก็รู้สึกตัวได้ประยุกไปแต่ว่าก็ต้องหาเวลาทําในรูปแบบด้วยนะที่ต้องทําในรูปแบบเพราะว่าการคลิกมือมันเป็นอิมิบส์ใหญ่แล้วต้องมีเจตนากล้าถ้าเจตนาของเรานะมันไม่ชัดเจนนะีมันจะตกล่องเหมือนถูกบังคับล่องความง่วงล่องที่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเีย ตรงนี้ที่เรามาฝึกกันจะได้เห็นว่าบางทีมันก็หลุดออกมาได้พอวางใจดีๆสีหน้าดีๆแววตาดีๆนะวางหน้าวางตามันก็กลายเป็นวางจิตวางใจไปด้วยนะมันก็เลยได้สังเกตว่าการปฏิบัติมีพัฒนาการขึ้นมามทั้งในรูปแบบแล้วก็ออกไปนอกรูปแบบทั้งในวัดแล้วก็ออกไปนอกวัดทั้งในชุดขาวนะชุดนักบวชอะไรก็ตามจนทั้งไปเครื่องแบบ ที่เราทำงานทำการกันในชุดนอนในขณะที่อยู่ในบ้านเพราะฉนั้นการปฏิบัตินี้ไม่จากัดจริงๆแล้วไม่จำกั ด, กดถ้าเรารู้สึกตัวแล้วนั่งก็รู้สึกตัวได้ยืนก็รู้สึกตัวได้จะทำอะไรก็เป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดไม่ใช่เดินรู้ว่าเดินไม่ใช่อันนั้นยังไม่ถูกถ้ว่ากันโดยชัดเจนแล้วเนี่ยเดินก็รู้สึกตัวหรือเดีนเน๋ยวนี้ขนาดเนี้ย ปัจจุบันขนะนีเรานั่งอยู่เราก็รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนในทุกทุกกิริยาาการนจนกระทั่งจิตคิดแวบบรู้สึกได้ด้วยแสดงว่าชัดเจนละหรือมีอารมณ์มากระทบปับ๊บรูปรสกินเสียงนะรู้สึกตัวได้โอ้แสดงมันเป็นธรรมไปแล้วนั่นนะดูกายดูเวทนาเห็นจิตอย่างงจิตตานุปัสสนติปฐาน มันมีอารมณ์มีอาการต่างๆรู้สึกตัวได้จนฐานธรรมฐานธรรมรูปลดกลิ่นเสียงอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในเรารู้สึกตัวได้ชัดเลยมันเกิดความเป็นเองเลยนะพวกนี้ไม่ต้องไปหาดูไม่ต้องไปหา ม, มันคืออะไรใช้สมองคิดพวกนั้นไม่ต้องสัมผัสไปเรื่อยๆเดี๋ยวสัมผัสจะละเอียดลงเอียดลงเอียดลงเอียดลงตรงนี้จนทั้งเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างผาสุก มันผาสุกยังไงเพราะมันเป็นปกติสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องอีกามิตรไม่ต้องใดนันใดนี่ใ ด, นดโน้นใดอะไรหรอกอยู่กตัวเองเนี่ยแหละแล้วมันจะสุขตอนที่เรารู้ทันอาการของกายรู้ทันอาการของจิตรู้ทันอารมณ์ตัวครั้งจะมีความสงบให้เรียกว่าปัสสธิมันจะมีปิติให้คือความอิ่มอกอิ่มใจและจะมีความสุขให้ ทุกครั้งที่เราได้ชนะอารมณ์ได้ชนะตัวเองตรงนี้มันเป็นความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้เนาะแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปหาหมอดูด้วยเพราะว่าเราดูตัวเองอยู่รับรองได้เลยได้เลยว่าหมอดูเนี่ยหมดอาชีพไปเลยนอกมาดูเนะนี่หมอดูบอกโอ้โหเดือนได้เป็นแสนเลยเราปปเป็นอะไรเลยแล้ว หมอรักษาฟันหมอทันตแพทย์อะไรพวกนี้มันเป็นหมอดูดีกว่าพวกเราเห็นโยมที่เป็นหมอดูที่มางินเนี่ยบอกว่าโอ้โหเป็นร้อยรยคนต่อเดือนนะแล้วคนละสามร้อยหสิบาทลองคูณไปเดีเดือนเท่าไหร่ปีงเท่าไหร่เนาะมันเยอะตอนมันเยอะขนาดนั้นนะฮต่อคนเดือนละร้อยคนอาจจะยังฝึกคนไม่ถึงเดือนละร้อยเลย เดือนละสี่ห้าคนก็เก่งละแต่เดือนนี้อาจจะถึงอยู่ร้อยมึงกลับมาดูตัวเองนแต่ว่าหมอดูก็เป็นอะไรที่ให้กําลังใจคนพูดดีๆหมอลักหมอแต่หมอหยองก็ตายไปแล้วเนาะหมอหยองเราก็ใช้วิชากรรมฐานนะที่วัดป่าสุขโตหรือว่าเป็นวิชาของโอสมิสมะเจ้าน ได้เห็นตัวเองกันทีนี้มันไม่พอกลับไปนี่ก็ต้องไปแสดงออกเย็นใ้ก็ดูเคยพูดเดยอะพูดน้อยลงเคยพูดแรงๆก็พูดเบาๆอะไรเงี้ยหรือบางครั้งทหนาที่ก็แรงได้แต่ว่าต้องรู้ว่าแรงเพื่ออะไรเหมือนกับ CP พนะที่บอกว่าหรือ7ปลเป็นใช่ไหม ที่บบก็ต้องใช้ความเด็ดขาดบ้างหรือพูดจาเพื่อทำงานให้รุดร่วมอันนั้นเป็นหน้าที่เราก็ต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้นะถือว่าบกพร่องต่อนหน้าที่เพราะนั้นเป็นยังไงที่เราเคยใช้อยู่ในอาชีพการงานนะกายวาจาใจของเราเราก็แสดงออกเลยว่าให้รู้สึกตัวผูกเอาไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมีอารมณ์ขึ้นมามันไหลเปดามอารมณ์ความรู้สึกหายไปลมันก็นไหลนะฮะ ตัวนี้ก็จึงเป็นเรื่องของอคุณภาพประสิทธิภาพที่มันไม่ใช่แค่อยู่ในวัานแล้วก็มีสติรู้สึกตัวมก็จะต้องออกไปข้างนอกจนก็ท้่งอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกไปนะเห็นรูปธรรมเห็นนมามธรรมมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่อย่างสม่าเสมอนะจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะ พูดได้เหมือนกันในบทสวดรู้กายเว้นารู้จิตรู้ธรรมฝึกสติปัฏฐานสี่จะมันมีเองตามกฎของธรรมชาติตามกฎของก ร, กรรมฐานมันเกิดขึ้นมาลักษณะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นนิสัยมันก็บอกถึงภพภูมิของจิตใจของเราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนจบวันนี้ ก็คือจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นปกติดีฉลาดเฉลียวดีก็คือพระพระจะมีุณธรรมมีกำลังใจแล้วก็อ่านธรรมชาติกฎของธรรมชาติเนี่ยต่อรหัสได้ทั้งหมดนั่นแหละต่อมาก็คือลักษณะของจิตของเราที่เป็นสุขติภูมิจิตเป็นสุขติภูมิที่ชอบบอกให้คนตายอะ หวงว่าจะไปสมรยพสุขติภูมินกีก็หมายถึงไปอยู่ที่เรียกว่าสวรรคษสวรร์หรือว่าพรหมมันเป็นแดนที่เรียกว่ามีสุขเป็นปกติสุขของคนที่เคยคิดเคยพูดเคยทํำนะนะเกี่ยวข้องกับกรรมดีทั้งหมดนะนะก็ขอให้ไปอยู่ภพนั้นนะแล้วก็ีกภูมิก็คือ อบายพมก็มีพวกเปรตพวกสันนกอสุลกายสัตว์ทลชานพวกนี้เป็นพวกเปรตอยากไม่หยุดเราเห็นจิตใจของเรามันไม่ค่อยจะมีความสุขมันพร่องอยู่เสมอแล้วก็ชอบแสดงออกเป็นโทสะจริตราคะจริตอะไรต่างๆมากมาย